เจริญพรท่านรองเจ้ากรมนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็เป็นโอกาสดีที่ได้พบกันนานๆหลวงพ่อจะมาเทศตามหน่วยราชการาทุกทีพราราชการหลังๆไม่ค่อยสนใจฟังเทศมีไม่กี่หน่วยนะแต่ลาเวลาเราฟังเทศนะบางที่ก็ฟังไปเรื่อยๆ เดือนนี้นิมนต์องนี้เดือนนี้นิมนต์องนี้นะฟังฟังเพลินเพลิการฟังเทศฟังธรรมนะถ้าฟังแล้วไม่ได้เอาไปปฏิบัตินะไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่เราเป็นวิธีอู้งานอย่างหนึ่งเท่านั้นเองงันการปฏิบัติธรรมนะสำคัญมากถ้าเราฟังแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัตินะเราไม่ได้ประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งสองฝนะ่ายอย่างหลวงพ่อมาเทศเทศแล้วพวกเราก็ฟังเล่นๆ น, นะ ก็เสียเวลาทั้งสองฝนะ่ายแต่ถ้าฟังทำแล้วเอาประเด็นเอาหลักของการปฏิบัติไปลงมือปฏิบัติจริงๆเราจะพบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาไม่นานธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอศัศจรรย์ถ้าเราลงมือปฏิบัติได้ถูกวิธีนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ใช่ทําหยอ่อมๆแยะๆตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาไม่นานเท่าไหร่นะบางคนเดือนหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนแล้วทุกวันนี้คนไปเรียนกับหลวงพ่อเยอะแยะไปไปที่ไหนที่ไหนคนฟังเทศเยอะวันนี้ถือว่าน้อยมากนะปกติคนเยอวันนี้เยอะเขาฟังเทศนะแล้วก็บางคนก็ฟังซีดีอ่านหนังสือบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อฟังแต่ซีดีฟังก็พบว่าชีวิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลง จิตใจซึ่งเคยทุกข์มากๆมันก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานนก็ทุกข์สั้นลงเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะแก้ทุกข์โดยตรงคนในโลกนี้สแสวงหาความสุขนะเกลียดความทุกข์แล้วก็ดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะหนีทุกข์เที่ยวจะวิ่งหาความสุขแต่ไม่ว่าจะวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่นะความทุกข์มันก็ตามอยู่ตลอดเวลา เดี Report. ๋ยวก็ทุกเรื่องน้นเรื่องนี้นะตั้งแต่ทุกในร่างกายสังขารร่างกายเดี๋ยวเจ็บป่วยเดีอยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนหรือกระหายเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานาทุกเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะครอบครัวเพราะหน้าที่การงานทุกเพราะลูกน้องไม่ดีทุกเพราะนายไม่ดีสารพัดจะทุกคนทั้งหลายก็วิ่งหนีความทุกข์ตลอดเวลาหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นนะ อย่างเราหิวข้าวเป็นทุกข์เราไปกินข้าวยิมไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วนั้นความทุกข์เนี่ยถึงจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศ า, าสดาที่อาัศาจรารย์มากเลยท่านไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าให้เราแก้ทุกข์เป็นคราเคล า, คลาไปแต่ท่านสอนจกนกระทั่งทํำยังไงเราจะสามารถพัฒนาจิตมีมิญฉาของเรายกระดับจิตวิ ญ, ญญาณของเราให้พ้นจากความทุกข์อย่างถาวรได้ มันสามารถทําได้จริงๆนะถ้าเรารู้หลักที่ท่านสอนแล้วเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตแบบคนที่ไม่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีที่ท่านสอนนะเราก็จะวิ่งหนีทุกข์วิ่งหาความสุขไปตลอดชีวิตนะความสุขเป็นของแปลกนะมันเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาพรนะอาทิตอยู่ข้างหลังเงาอยู่ข้างหน้าวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่นะจับไม่ได้สักทีเหมือนเหมือนจะจับได้แต่ก็หลุดมือไปทุกครั้งเพราะในความเป็นจริงแล้ว ชีวิตนี้โลกนี้นะมันเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาเรียนรู้ทุกเนี่ยตรงนี้ที่ไม่มีใครเหมือนนะแล้วพวกเราก็อย่าไปวาดภาพว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแค่การไปทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการทําทานเป็นเรื่องดีนะสละส่วนเกินให้สังคมให้คนอื่นการรักษาศีลเป็นเรื่องดีนะจิตใจเราสงบแล้วสังคมก็สงบเรียบร้อยได้ด้วยการทําสมาธิก็เป็นเรื่องดี จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจิตใจมีความสุขความสงบแต่ถ้าผู้พูดศาสนาเนี่ยมีเนื้อหาสาระแค่การทําทานรักษาศีล น, นั่งสมาธินะพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ชื่อว่าศาสดาเอกของโลกเพราะศาสดาอื่นเขาก็ทําทานเขาก็รักษาศีลเขาก็ทําสมาธิเหมือนกันเป็นคําสอนทั่วๆไปในศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเขาก็ทําทานเขามีพิธีสกรารถึงปีเขาสละ ทรัพสมบัติทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้กับสังคมนี่เาก็มีนะแต่ละาศาสนาเขาก็มีศีลของเขานะมีการทำสมาธิอย่างการที่ไปสวดมนต์และลึกถึงพระเจ้านะก็เป็นวิธีการทำสมาธิอย่างหนึ่งบางาศาสนาเขาก็นับลูกประคำบางาศาสนาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจิตใจก็สงบแม้ลำพังการทำทานรักษาศีลการทาสมาธิเนะี่ยถ้ า, าศาสนาพุทธมีอยู่เท่านี้นะ พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะเป็นศาสดาทั่วๆไปไม่อัศาจรรย์เท่าไหร่หรอกการที่ท่านเป็นศาสดาเอกของโลกได้เพราะท่านก้าวมาสู่การเจริญปัญญาเพราะฉะั้นถ้าเราละเลยไม่ศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่เปลือบพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเป็นผู้รู้ได้เราก็ต้องศึกษาหัดเจริญปัญญาให้ได้ การเจริญปัญญาเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะไม่มีในที่อื่นเลยการเจริญปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือการเรียนรู้ทุกนั่นเองนะเรียกเรียกว่าเรียนรู้ทุกนั่นเองอะไรเรียกว่าทุกกายนี้ใจนี้คือทุกนะขันห้าคือตัวทุกคนไหนฟังธรรมามามากแล้วได้ยินคําว่าขันห้าไหมรู้จักไหมใครรู้จักคําว่าขันห้ายกมือซิมีไหมไม่รู้เลยเหรอเสียหายนะ อย่ารู้จักแต่แก้วนะรู้จักแต่ขันบ้างเมื่อก่อนหลวงพ่อจบใหม่ๆหลวงพ่อทำงานอยู่กับทหารอยู่กองร์มณอ์อทหารนี่มีอยู่หลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เล่นพลาเครื่องกลุ่มหนึ่งก็กินเหล้าอะไรเงี้ยกลุ่มหนึ่งเจ้าชู้อะไรเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็สนใจศึกษาหาความรู้มีมีหลายแบบพวกเราพยายามศึกษาหาความรู้หน่อยก็แล้วกัน การจะเจร like re really. ิญปัญญาทำยังไงการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจทำไมต้องเรียนใครๆก็มีร่างกายใครๆก็มีจิตใจแต่เราไม่เคยเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองตื่นนอนขึ้นมาเราก็ใจลอยเราคิดถึงคนอื่นเราคิดถึงสิ่งอื่นถ้าคิดถึงตัวเองเราก็คิดถึงตัวเองในอดีตคิดถึงตัวเองในอนาคตเราลืมกายเราลืมใจของตัวเองทั้งวันนะ การที่จะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละเรียกว่าเจริญปัญญาพระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาพระระหันเนี่ยผ่านการเรียนรู้ความจริงของกายของใจมาทั้งสิ้นเลยพระอริยบุคคลมีจริงๆมรรคผลนิพพานมีจริงๆรนะิเส้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานมีจริงๆขาดคนจริงที่จะปฏิบัติเท่านั้นเองนะถ้าเราจะลงมือปฏิบัติทำจริงๆรนะิต้องเจริญปัญญาให้ได้ ทำยังไงเราจะเจริญปัญญาเป็นเจริญปัญญาไม่ใช่เรียนหนังสือไม่ใช่ฟังเลคเชอร์นะไม่ใช่ดูการสาธิตนะแต่เป็นการที่เราเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะคนทั่วไปเนี่ยมันจะลืมกายลืมใจทั้งวันนะเราต้องกลับใหม่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้คนส่วนใหญ่จะลืมกายลืมใจทั้งวันนะไม่มีความรู้สึกตัวหรอกใจลอยตลอดเวลา เราจะต้องพยายามนะขั้นแรกสุดของการเจริญปัญญาก็คือรู้สึกตัวถ้ารู mind, 40 40 ta, ้ส like, ึกตัวไม่เป็นเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจคนในโลกนี้อาภัพที่สุดเลยนะคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยมีนับคนได้เนี่ยนับตัวได้เลยส่วนมากมันมีแต่คนหลงตื่นนอนขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นไปเรื่อยทั้งวันทั้งวันก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่น ไม่ค่อยจะรู้สึกอยู่ในกายไม่ค่อยจะรู้สึกอยู่ในใจของตนเองเพราะเราจะต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้จิตใจล่องลอยออกไปนอกเนื้อนอกตัวการที่จะรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องยากอะไรเวลาที่เราลืมตัวเนี่ยจิตมันชอบหลงออกไปข้างนอกห ล, ลงไปทางตาอย่างเราไปเห็นอะไรสวยสวยงามนะเราเห็นอะไรของสวยของงามใจเราไปดูของสวยของงามเราลืมกายเราลืมใจของตัวเองเราได้ยินเสียง เสียงเพลงเสียงอะไรนะไพ่รอบๆอบทิ้งเราเพลิินเราลืมกายเราลืมใจนะเพลินไปกับเสียงเพลงเราได้กลิ่นเราก็เพลินไปกับกลิ่นะได้รถเราก็เพลินไปกับรสกระทบสัมผัสเราก็เพลินหลงไปกับทางกายเช่นนั่งอยู่แล้วยุงกัดยุงกัดนะจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่ยุงหาทางฆาตกรรมยุงนะยุงมีความผิดข้อหารักทรัพนะขโมยเลือดเราเราตัดสินประหารชีวิตเกินกว่าเหตุนะใจมันจะออกข้างนอกตลอดนะ เราต้องพยายามมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะคอยรู้สึกตัวไว้จิตใจส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหลงไปคิดในขณะที่เราหลงไปคิดเนี่ยเรามีร่างกายเราก็จะลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็จะลืมจิตใจเพราะเราคอยรู้สึกตัวไว้เวลาจิตมันหนีไปคิดนะคอยรู้ทันจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันเมื่อก่อนสมัยก่อนโลงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโธ ก็หัดหายใจเข้าพูทหายใจออกโทรที่แรกทำไม่เข้าใจไม่รู้หลักก็จะพุทโทพุทโทไปนะหายใจไปเพื่อให้จิตสงบต่อมาฝึกมานานนะฝึกอยู่หลายปีเลยค่อยจับหลักได้ท่านให้หายใจเข้าพูทหายใจออกโทรนะเพื่อให้จิตตั้งมั่นไม่ใช่ให้จิตสงบอย่างเดียวแต่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะพวกเราไปเปิดพจนานุกรมดูได้เลยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิต งั้นเรามาหัดกรรมฐานอย่างหนึ่งเช่นหัดพุโทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้อย่างถ้าเรานิ ม, มนต์พระหลากหลายประเทศนะก็จะสอนกันคนละแบบบางท่านก็สอนพุโทโธบางท่านสอนหายใจบางท่านสอนพองยุบบางท่านสอนให้ทําจังหวะขยับมือบางท่านสอนเดินจงกรมอะไรก็ได้นะถ้ารู้หลักของการปฏิบัติที่แท้จริง อันนั้นสิ่งต่างๆที่เราเรียนกันมานั้นเป็น แ, Medien, <bie S 1> แค่เปลือกเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองเนื้อหาสาระแก่นสารสา ร, สาระของการปฏิบัติเนี <c oughs> ่ย<ะ>ก็คือทํายังไงจิตเราจะตื่นขึ้นมาได้เป็นพุทโธขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้แล้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยนั่นแหละคนไหนคุ้นเคยกับพุโทโธก็พุโทโธไปคนไหนคุ้นเคยกับการรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนคุ้นเคยกับการดูท้องผองยุบก็ดูท้องผองยุบอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดเลย จะชอบน้ำมาพาทาสัมมาอรหังอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องพุโทโธทํากรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเวลาที่จิตหนีไปคิดหัดพุดโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันหัดรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปสบายๆจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมลมหายใจไปแล้วรู้ทันทํนากรรมฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิด จุดตรงนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นเป็นจุดแตกหักเลยว่าเราจะมีโอกาสเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญปัญญาหรือไม่ถ้าเราไม่ได้เจริญปัญญาไม่มีวันที่เราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนะงั้นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกตัวจิตต้องตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความหลงให้ได้มาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้นะฉะฉนั้นหัดไปเคยเรียนอะไรมาก็าใช้กรรมฐานเดิมไม่ต้องเปลี่ยน พุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตนะพองยกแล้วรู้ทันจิตขยับมือทําจังหวะแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วก็รู้ทันจิตจิตลงไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่เทารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ไหนรู้ทันไปด้วยว่าตอนนี้จิตออกนอกไปแล้วจิตไหลไปแล้วบางทีก็จิตหนีไปคิดถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเมื่อไหร่จิตจะเลิกไหล จิตจะตั้งมั่นจิตจะเป็นพุโทโธตัวจริงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะเราใครเคยได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวไหมหลวงตามหาบัวนะัมีน้องสาวชื่อคุณแม่จันดียังมีชีวิตอยู่นะหลวงพ่อเคยเจอคุณแม่จันดีคุณแม่จันดีมาถามหลวงพ่อว่าท่านฝึกมาแบบไหนทําไมจิตมาลงที่เดียวกันได้หลวงพ่อก็เล่าให้ท่านฟังว่าหลวงพ่อฝึกอานาปนสตินะหายใจ หายใจอย่าลมหายใจไม่ค่อยตื้นๆๆกลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยสว่างแล้วเราก็รู้ทันนะจิตไหลไปเรารู้ว่าจิตไหลไปเรารู้จิตมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ถัดจากนั้นถึงขั้นเจริญปัญญาการที่ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้นี่เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาคุณแม่จันดีท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็แบบเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุโทโธหลวงตามหาบัวสอนให้ท่านพุโทโธนะพุโทโธเรากําหนดอยู่ตรง ลายจมูกนี่เหมือนกันททพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกันหลวงพ่อเทียนขยับมือนะถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเราก็จะเกิดสภาวะแห่งความรู้สึกตัวขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ว่าเราจะฝึกวิธีใดนะถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้ จ, จริงเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้มันจะทําได้แต่สมถะ ทำได้แต่ความสงบอย่างเดียวไม่สามารถเจริญปัญญาได้ก็ไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้หรอกงั้นเราต้องมาฝึกตัวเองนะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งได้ยินว่าครูบาอาจารย์มาสอนที่นี่เยอะแยะแต่ลนะองค์แต่และองค์งก็อาจจะสอนแตกต่างกันวิธีการนะั้นแตกต่างกันแต่เราจับหลักให้แม่นนะเคยพุโทโธเราพุโทโธแล้วรู้ทันจิตเคยหายใจเราก็หายใจไปเรารู้ทันจิต ถ้าเราควายรู้ทันจิตได้บ่อยๆจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันนจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยต่างกันนะจิตคิดเนี่ยมันหลงไปหลงไปอดีตหลงไปอนาคตหลงไปเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นส่วนจิตรู้เนี่ยมันจะรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองอยู่ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากนะถ้าเราไม่ได้ตัวนี้เราไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้มากคลนี้ภานในชีวิตนี้แล้วถ้าชาติต่อไปเราก็ยังทําไม่ได้ไม่มีตัวรู้อีก ชาติต่อไปก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอีกกี่ชาติก็ไม่บรรลุหรอกว่าต้องมาฝึกตัวเองให้ได้ให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้หลวงปู่ดูลเคยสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เวลาเราหลงไปคิดนะจิตผู้รู้ไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนนะว่าถ้ารู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัติก็คือจะได้จิตผู้รู้มานั่นเอง หลวงพ่อเนะีเข้มงวดกับตัวเองมากเลยตั้งแต่เป็นคารวาะตั้งแต่เจขวบนะฝึกอานาปนสติฝึกไปจนทั้งจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่เรื่อยๆครบาจารย์บางองค์อย่งหลงปู่สินเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราเดินเดินปัญญาไม่เป็นผ่านไปตั้งนานตนะั้งแต่เจขวบจนอายุ29ปี ขนาดจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยเพราะจิตผู้รู้เป็นแค่จุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นจนไปเจอหลวงปู่ดูลนะไปกราบหลวงปู่ดุลย์ตอนนั้นเขียนไว้ผิดนะที่ว่า23กสิบามกุมภจริงวันที่6กุมภา้พันาร้อยยไปกราบท่านครั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตตนเองทำไมหลวงปู่สอนให้หลวงพ่อดูจิตตนเองเพราะจริตนิสัยของเราเหมาะ การปฏิบัตินั้นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศนั้นท่านไม่สอนหรอกว่าทุกคนต้องทําแบบเดียวกันหลวงปู่ดูลนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยนะท่านสอนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านให้ทําสมาธิก่อนบางคนให้ทําสมา ธ, ามาธิด้วยการพิจารณาผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้ต้องเส้นเดียวบางคนท่านให้ดูกระดูกเนี่ยบางคนท่าพิจารณากายบางคนท่านให้พุโทโธเริ่มจากพุโทโธแล้วรู้ท่านจิต อย่างหลวงพ่อนะไปหาท่านครั้งแรกเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตเลยเพราะเราไม่ต้องพุทธโธแล้วรู้ทันจิตแล้วเพราะจิตมันตั้งมั่นเป็นพุทธโธอยู่แล้วจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นเราก็มาหัดรู้ทันจิตจิตของเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์การปฏิบัตินั้นสติปัฏฐานสี่นะเหมือนประตูเมืองสี่ทิศสติปัฏฐานสี่นั้นเรารู้กายก็ได้ รู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้รู้จิตคือความปรุงแต่งทั้งหลายปรุงดีปรุงชั่วของจิตก็ได้รู้ธรรมคือเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมามันทํางานสืมเนื่องกันไปอย่างนั้นก็ได้นะแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มจากกายไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มจากจิตแต่ทุกคนต้องเริ่มจากกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองวิธีที่จะดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนในการเจริญปัญญาเราควรจะดูกายหรือเราควรจะดูจิตหลักๆมันี้ก็มีสองกลุ่ม ถ้าละเอียดลงไปในกายก็จะมีพวกเวทนาในจิตจะมีพวกธรรมอีกพวกหนึ่งแต่ถ้าแยกทั่วๆไปก็มีการเรียนรู้ความจริงของกายเบื้องต้นเรียนรู้ความจริงของกายซะก่อนอีกพวกหนึ่งเรียนรู้ความจริงของจิตซะก่อนเพราะการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของตัวเองงั้นเริ่มต้นจะเรียนจากกายก็ได้จากจิตก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยถ้าเราเป็นคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามกรรมฐานที่เหมาะกับเราคือการรู้กาย ถ้าเราเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นวันวันหนึ่งทํางานแต่เรื่องที่คิดมากนะคิดมากตัดสินคนอื่นมากอะไรเงี้ยกรรมฐานที่มอเราคือการดูจิตเพราะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันเหมาะกับจริตนิสัยที่แตกต่างกันรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตคนรุ่นเรานี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นชอบออกความเห็นมากเลยใช่มวันวันหนึงชอบเม้ากันนะ ออกความเห็นไปเรื่อยๆเพราะฉะั้นกรรมฐานที่มันเหมาะกับคนที่คิดมากคนเมืองนะก็คือการดูจิตใจของตอนเองการจะทำกรรมฐานด้วยการดูกายนะลูกศิษย์หลวงพ่อดูกายก็มีนะแต่จะดูกายเนะี่ยต้องทำสมาธิให้ดีก่อนจิตต้องตั้งมั่นเข้าฌานได้ต้องเข้าฌานเข้าฌานไม่ได้นะดูกายลำบากนะใจมันจะไหลเข้าไปในกายใจมันจะไม่ดีดตัวออกมาเป็นคนดู ถ้าดูกายถูกต้องนั้นจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นพอนะกายกับใจมันจะไหลไปรวมเป็นก้อนเดียวกันดูยากถ้าดูกายไม่ออกนะไม่เห็นว่าร่างกายเหมือนคนอื่นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าทําตัวนี้ไม่ได้ เ, เ, าเราก็มาดูจิตของตนเองจิตใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่งไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งนะ แต่จิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้รู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตสงบแต่รู้เพื่อให้จิตเห็นความจริงการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนให้รู้ความจริงนะไม่ใช่เรียนให้จิตสงบการเรียนให้จิตสงบคือสมถะกรรมฐานส่วนการเรียนให้เกิดปัญญานั้นเรียนเพื่อให้รู้ความจริงของกายของใจ งั้นพวกเราลองหัดดูถ้าดูกายไม่เป็นนะก็ดูจิตเราถ้าดูกายได้ก็ดูกายไปคนไหนดูกายไม่ได้ดูจิตคนไหนดูจิตไม่ได้ไปดูกายการดูจิตดูใจเนี่ยเราคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อตามองเห็นรูปจิตมันจะเปลี่ยนเช่นเห็นของสวยของงามจิตเทก็พอใจมีความสุขเห็นพระพุทธรูปเนี่ยจิตเกิดศรัทธาเรื่มใส่เนี่ยเกิดความรู้สึกศรัทธาขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ทันว่าจิตมันศรัทธาขึ้นมา เห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตมันกลัวรู้ว่าจิตมันกลัวเห็นหมาสวยๆวิ่งมานะจิตมันชอบรู้ว่าจิตมันชอบเนี่ยพอตามองเห็นนะจิตมันจะมีความรู้สึกนานาชนิดเกิดขึ้นให้เราคอยรู้ทันรู้ทันไม่ใช่เพื่อบังคับให้จิตดีไม่ใช่บังคับให้จิตสงบแต่รู้ทันเพื่อให้เห็นความจริงนะว่าจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตชั่วก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราว ตัวนี้สำคัญมากเลยนะถ้าพวกเราทําได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าถึงมรรคผลในชีวิตนี้มันก็พอเป็นไปได้ไม่งั้ก็เอาแต่ฟังเทศเอาแต่ขอศีลไปเรื่อยๆนะแล้วก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆไม่เดินปัญญาไม่มีโอกาสหรอกพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านฟันธงอย่างนี้เลยนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทําทานรักษาศีลการนั่งสมาธิ แต่การทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธินั้นเป็นจุดตั้งต้นอย่างการที่เราทำทานเราก็ไม่เห็นแก่ตัวการรักษาศีลนะจะทำให้จิตสงบง่ายพอจิตสงบแล้วนะจิตก็มาฝึกให้จิตตั้งมั่นเวลาจิตมันไหลไปแวบรู้ทันจิตไหลแวบรู้ทันก็จะได้จิตมีสมาธิเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาพอเราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อตามองเห็นรูปจิตมันเปลี่ยนเรารู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจิตมันเปลี่ยนเรารู้ทัน เมื่อใจมันคิดจิตมันเปลี่ยนเรารู้ทันนึกออกไหมเวลาที่ใจมันคิดจิตมันก็เปลี่ยนได้เราคิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจมันรักก็ได้คิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจมันเกลียดก็ได้ให้รู้ทันที่ใจนะว่าใจมันเปลี่ยนไม่ใช่ไปฝึกให้จิตนิ่งฝึกให้เห็นว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการที่เราเห็นว่าจิตนั้นสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตเฉยๆก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นดูซ้ําแล้วซ้ําเล่านะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าซ้ําแล้วซ้ำํำอีกอยู่อย่างนั้นแหะจนวันหนึ่งจิตมันสรุปขึ้นมาจิตมันปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเคยได้ยินไหมประโยคนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาฟังเทศมาเยอะแล้วเคยได้ยินประโยคนี้ไหมอ๋อต้องเคยนะไม่เคยเนี่ยห่างไกล ศาสนาพุทธมากเลยไม่ได้เรื่องเลยถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนั้นเราจะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรแปลกปราหลาดท่านรู้ความจริงเท่านั้นเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นดับทั้งสิน้นสิ่งที่เป็นอมตะเป็นตัวเป็นตนทารวมนั้นไม่มีนะพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมแต่ละคน เราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันใช่ไหมร่างกายหน้าตาเราเปลี่ยนแต่ในนี้มีเราอยู่คนนึงเราต้องมาหัดดูนะจึงเห็นว่าที่เรารู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราจริงๆก็คือตัวจิตนั่นเองถ้าเราเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เจี่ยงจิตดีก็เกิดแล้วก็หายไปจิตชั่วเกิดแล้วก็หายไปจิตสุขเกิดแล้วก็หายไปจิตทุกข์เกิดแล้วก็หายไปสุดท้ายมันจะพบว่าตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราตัวเราจริงๆไม่มี เมื่อไหร่เห็นว่าตัวเราไม่มีนั่นก็เรียกละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันแต่เวลาเป็นพระโสดาบันไม่ใช่นึกเอาเองนะมันมีกระบวนการที่จิตเกิดอริยมรรคเป็น ก, กระบวนการมีขั้นมีตอนมีจังหวะของการเกิดไม่ใช่อยู่ๆงูบเผลอๆขาดสติไปแล้วก็บอกว่าเป็นพระอริยะแล้วไม่ใช่เลยนะนนเราต้องมาฝึกให้มากนะเมื่อไหร่จิตมีความสุขให้รู้ทันจิตมีความทุกข์ให้รู้ทัน จิตดีให้รู้ทันจิตชั่วให้รู้ทันรู้ทันไปบ่อยๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวถ้าเห็นได้ว่าทุกสิ่งชั่วคราวนี่แหละเราจะได้ธรรมะละนะธรรมะเบื้องต้นเราเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวไม่มีอัตตาตัวตนถาวร น, นะเรียนกรรมฐานนะเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งที่ต้องเรียนให้ได้ถึงตรงนี้นะ ถ้าเรียนมาไม่ถึงตงัวนี้ยังเสียโอกาสที่เราได้พบพระพุทธศาสนาอยู่เสียโอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบขนาด น, นี้อยู่เสียโอกาสที่ได้เจอพุทธศาสนาต้องลงมือหัดดูของจริงในกายในใจของตัวเองถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูก็จะรู้สึกเลยร่างกายที่ยืนก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่เดินก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่นั่งก็ชั่วคราวร่างกายที่นอนก็ชั่วคราว นะร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวใช้หลักเดียวกันนะดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของจิตถ้าดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดเลยมันจะรู้เลยว่าตัวตนถาวรไม่มีทุกสิ่งนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยนะสังขารทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็ตามเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเรยีเรยนกรรมฐานต้องเรียนกันอย่างนี้นะเรียนจากของจริง ไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรมธรมดาๆอย่างพวกเราจะทําได้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนยอดมนุษย์นะท่านสอนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละคนสมัยพุทธกาลเขาก็ไม่ได้จีเนสกว่าพวกเราไม่ใช่มันสมองดีกว่าพวกเรานะั้นก็ระดับพวกเรานี่แหละส่วนใหญ่ก็นั่งสมาธิไม่เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละนะแต่ทําไมเขาได้มรรคได้ผลกันลนะ่ะเขาฟังธรรมแล้วเขาปฏิบัตินะพวกเราฟังเล่นๆไม่ได้เรื่องนะฟังเล่นๆบางคนขอศีลเล่นๆขอไว้งั้นนะ อแล้เดี๋ยวก็หนีไปไปกินเหล้าไปศินขาดง่ายที่สุดในศิ่ข้อสนะเป็นต้นประเทศแข่งกับพระนี่สินขาดแล้วนะเพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาพูดเป็นเวลาฟังเนี่ยพวกเราไม่มีใครพูดเห็นไหมตั้งใจฟังใช้ได้นะอย่างน้อยตอนนี้เราสํารวมกายของเราสํารวมใจของเราสํารวมเมื่อกายสํารวมใจสํารวมเนี่ยกายนี้ใจนี้เหมาะที่จะรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้า เราฟังทำด้วยความเคารพในขณะนี้หลวงพ่อขอชมเชยทุกคนทุกคนตั้งใจฟังกายก็สงบใจก็สงบนะเราอาศัยกายที่สงบใจที่สงบเนี่คยค่อยๆฟังไปเอาหลักของการปฏิบัติไปหลวงพ่อจะพูดที่ง่ายที่สุดแล้วนะคือคอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองตามองเห็นจิตมันเปลี่ยนรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมันเปลี่ยนรู้ทันใจมันคิดจิตมันเปลี่ยนรู้ทัน คอรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งจิตมันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะธรรมะไม่ได้ยากเกินไปหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกเข้านะไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัตินึกว่าหลวงปู่จะเทศให้ฟังหลวงปู่ไม่เทศนะหลวงปู่นั่งหลับตาเลยนั่งเก้าอี้โยกนั่งหลับตาเกือบชั่วโมงเรานึกว่าท่านแก่มากนะอายุเกิบกว่าแล้ว นึกว่าท่านฉันข้าวแล้วท่านหลับไปแล้วก็นั่งรอท่านเมื่อไหร่ท่านจะลืมตาเมื่อไหร่ท่านจะตื่นน้องนีความจริงท่านไม่ได้นั่งหลับท่านนั่งสอบประวัติหลวงพ่ออยู่นะพอลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านรู้ว่าอ่านหนังสือเยอะนะหพ่ออ่านพระไตรปิฎกเลยนะอ่านมากมายหนังสือเนี่ยเรียนมากเลย ท่านรู้เลยว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองนะแล้วเราก็รับคําสอนของท่านมานะเขามาคอยรู้เท่าทานจิตใจของตัวเองด้วยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะว่าจิตนี่เปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงฉมูกได้กลิน่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งนี่จิตมันจะเปลี่ยนงั้นเราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลง การที่รู้ทันกามเปลี่ยนแปลงเรื่องว่าการเจริญวิปัสนากรรมฐานอย่าไปวาดภาพวิป anyway. ัสนาจนยากเกินไปนะวิปัสนาคือการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนั่นเองกายกับใจนี้จริงๆนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตลอดเวลาเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเรามาคอยเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไป เจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเนี่ยต้องได้อะไรบ้างนะต้องได้อะไรบ้างธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ยากเกินไปนะถ้าเราลงมือทาจริงๆแล้วไม่ยากหรอกลองทาดูนะฝากเป็นการบ้านนะวันนี้เทศขนาดนี้ก็พอนานกว่า น, นี้จะเดี๋ยวจะหลับซนะก่อนนาะแต่หลวงพ่อเทศนี่ตามสถิตินะไม่มีคนหลับง่ายๆหรอก <c oughs> มีอยู่เทศคราวนะ ถ้า น, นี่มนต์เปรตชมลมผู้สูงอายุคิดดูนะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไม่กุยก็หลับง่ายเลยเราขู่ผู้สูงอายุนะบอกว่าเพิ่งรับศีลนะเทศแข่งกระเพาะพูดแข่งกระเพาะผิดศีลนะผู้สูงอายุตั้งใจฟังนะตั้งใจแต่ตั้งใจไปนิ่งๆสักพักนะก็ชักเบลอๆไปงั้นเราจะไปรอให้แก่แล้วเราจะภาวนาตอนแก่นะทำยากนะจะบอกให้ เราต้องปฏิบัติตั้งแต่ตอนอยังไม่กเกษียณนี่แหละยังหนุ่มยังสาวอยู่นี่แหละรอไปทำตอนแก่ทำยากนะจะบอกให้งั้นเวลาไม่คอยท่าแก่ไปทุกปีทุกปีแก่ไปทุกวันทุกวันต้องรีบปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติก็เสียโอกาสที่ได้เจอพระพุทธศาสนานะตั้งใจเข้าไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนะเบื้องตอน้นตั้งใจว่าต่อไปนี้จะพยายามรักษาศีลห้าให้ดีที่สุด ขั้นที่สองต่อไปนี้เราจะคอยรู kay, mm ้สึกตัวบ่อยๆจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ใจลอยไม่ลืมกายไม่ลืมใจนานลืมกายลืมใจได้แต่ลืมไม่ให้นานคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆอาจจะมีตัวช่วยมีพุทโธมีลมหายใจพุทโธแล้วจิตหนีไปรู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปรู้ทันเนี่ยจิตก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นแรกตั้งใจไว้นะรักษาศีลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ขั้นที่สองฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว หัดพุโทโธหัดหายใจแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นที่สมมาเจริญปัญญามาดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจด้วยจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วนั่นแหละถ้าจิตไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันดูกายดูใจตัวเองไม่ได้มันดูแต่ของอย่างอื่นนะงั้นความรู้สึกตัวเนี่ยถึงเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาเลยถ้าไม่รู้สึกตัวก็ดูกายดูใจตัวเองไม่ได้หลงไปตลอดเวลาใช้ไม่ได้หรอกนะงั้นพยายามรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางาน คนที่เรียนจากหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อ น, นะสักเดือนหนึ่งจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองละประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรเงี้ยนะช้ามากๆก็สัก3เดือนถ้าฟังแล้วลงมือทํานะถ้าฟังเล่นๆไม่ทํากี่ปีมก็เหมือนเดิมหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดไปเทศที่โน่นที่นี่บ่อยคนจนํานวนมากเลยไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะเขาฟังซีดีอ่านหนังสือฟังซีดแีแล้วเขาก็าหัดดูของเขาเอง จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตไร้าก็รู้นะเขาหัดดูอยู่นะแล้วเข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ยเยอะเลยมาขอบคุณว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยหลงทั้งวันนะก็รู้สึกตัวเคยจมอยู่ในกองทุกข์หาทางออกให้ชีวิตไม่ได้รู้สึกชีวิตมืดมนไม่มีทิศทางไม่มีความหมายก็รู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยมีค่านะ เราเกิดเป็นมนษุษย์ไม่ใช่เกิดมาได้ง่ายๆชีวิตเรามีคุณค่ามากเลยเราลงมือปฏิบัติทำแล้วเราจะรู้จักคุณค่าของชีวิตตัวเองปฏิบัติให้มากนะอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆอย่าฟังเทศเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องลงมือทำนะฝากไว้เท่านี้แหละนะจบ <c oughs> ถ้าสมัยก่อนต้องบอกเอวงังก็มีด้วยประการาชนีทาไมหลวงพ่อไม่เทศแบบก่อน นนถ้า<น>แต่ก่อนท่านพูดช้าๆคนสมัยก่อนไม่รีบร้อนคนยุคเรานี่รีบร้อนท่พูดช้าๆก็นั่งหลับเะได้เพื่นนอนก้าการที่ <c oughs> ท, ที่ฟังแล้วอยากจะสอบถามวิธีการฝึกจิตหรือว่าจะสอบถามเรื่องอื่นๆครับหลวงพ่อตอบในเรื่องกรรมฐ า, านนะ เรื่องอื่ไม่ตอบเพื่อนหวยออกอะไรไม่ตอบนะเอาเฉพาะกรรมฐานที่นี่เอาซีดีมาแจกไหมมีครับกําลังทางเจ้าหน้าที่กําลังจัดให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้คลิกจัดให้ฟรีนะทุกท่านเลยนะครับแจกให้ฟรีนะฟรีครับขออย่างเดียวมาเมตตามาพระอาจารย์ฟังนะครับผมฟังเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกฟังเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้มันทุกน้อยลงน้อยลงนะจนถึงวันหนึ่งมันจะพ้นจากความทุก ให้โอกาสกับตนเองนะศึกษาไปฟังบ่อยๆสมัยหลวงพ่อหัดทีแรกสอนสอนทีแรกอะไม่มีซีดีหรอกสมัยนะั้นเป็นเทพตลับมีคนมาเอาไปอัดนะอัดแล้วก็ไปฟังเองแล้วฟังจนเทปยืดเลยมีอยู่ม้วนเดียวพอเทปยืดเนี้ยจิตตื่นเลยรู้ตัวรู้เลยว่าที่ตลอดชีวิตนีฝันมาตลอดดีถ้าลองเจ้ากร ม, มที่ครับก็บมาถวายกรื่องธรรครับผม ปั จ, จัยหลวงพ่อมอบให้ทางกลมนะให้พ่อนนะอยยาถาวาริวหาปูราภริปูเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปิตังตุมหังคิพเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยาถามณีโชติระโสยาถา สัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัต ว, วันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปัจจายิโนจตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขขังพะลังสาทุมีความสุขความเจริญ น, นะไปแล้